จเจริญพรท่านผู้มีจิศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราชสอ5พเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเิมพลัง เติมกำลังให้แก่จิตใจเหมือนกับการเติมน้ำมันให้แก่รถยนต์รถยนต์จะมีพลังขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้จาเป็นจะต้องมีน้ำมันไว้ในถังเพื่อที่จะได้ทำให้รถยนต์นั้นวิ่งได้ใจของเรา ก็จะต้องมีน้ำมันเช่นเดียวกันน้ำมันที่จะเป็นพลังเป็นกําลังของใจนี้ก็คือธรรมะธรรมะนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่พวกเราน้นาํามาปฏิบัติจะทำให้เรามีกําลังใจที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มา เอยียบย่ำมาเบียดเบียนจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความเศร้าโศกเสียใจความเหงาความท้อแท้ควา ม, าวามอิดนาระอาัยความเบื่อหนายความหวาดกลัววิตกกังวลภัยต่างๆเหล่านี้ถ้าใจมีกำลังจะสามารถทำลาย ได้หมดเลยกำลังใจจึงมีความสำคัญมากกว่ากำลังกายถึงแม่ร่างกายจะมีกำลังมากสามารถยกน้าหนักได้เป็นร้อยกิโลสามารถวิ่งได้เป็นระยะสิหลายสิบกิโลสามารถแข่งขันทางกีฬาได้เหรียญทองได้รางวัลต่างๆมา แต่กำลังของกายนี้จะไม่สามารถที่จะทำลายภัยต่างๆที่มาเหยียบย่ำเบียดเบียนจิตใจได้เลยดังนั้นเราอย่าไปหลงกับการดูแลรักษาสร้างกำลังกายเพียงอย่างเดียวกำลังกายก็มีผ่านจนเป็น ในการใช้ชีวิตประจำวันคือต้องร่างกายต้องแข็งแรงถึงจะสามารถไปทำมาหากินทำธุระต่างๆได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นระดับนักกีฬาเหรียญทองมีไว้เพื่อมีกำลังกายเพื่อที่เอามาสนับสนุนการสร้างกำลังใจจะดีกว่า าสร้างกำลังใจนี้เราก็ต้องสร้างคุณธรรมที่เรามีอยู่แล้วในตัวเราแต่ยังมีไม่มากพอคุณธรรมที่เรามีอยู่นี้เรียกว่า N45 คือศรัทธาความเชื่อวิรยิยะความภาคเพียงสติความระลึกรู้สมาธิความตั้งมั่นของจิตและปัญญา ความรู้ความฉลาดในพวกเราก็มีอินทรีย์ทั้งห้านี้อยู่ในระดับหนึ่งแต่มีไม่พอที่จะทำลายภัยต่า ง, างๆที่จะมาเหยียบย่ำ ม, มาเบียดเบียนจิตใจของเราได้เราต้องพัฒนาอินทรีย์ทั้งห้านี้ให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นมาเป็นพะละห้า ถ้าเป็นพละหา้าคือกำลังห้าแล้วก็จะสามารถทำลายภัยต่างๆที่เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหรันตสาวกทั้งหลายท่านได้พัฒนาอินทรีย์ทั้งห้าให้กลายเป็นพละหา้าจนสามารถ ทำลายความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจได้หมดสิ้นไป<ม>พวกเราถ้าต้องการทำลายความทุกข์ต่างๆความเดือดร้อนต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆเราก็ต้องพัฒนาอินทรีย์ห้าให้ขึ้นมาเป็นพระห้าให้ได้<ม>เช่นข้อที่หนึ่งศรัทธาเราก็ต้อง พัฒนาศรัท ธ, ธาให้เป็นศรัท ธ, ธาที่ไม่เสื่อมคลายเป็นศรัท ธ, ธาที่ตั้งมั่นคือศรัท ธ, ธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในขณะนี้เรามีศรัท ธ, ธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราอาจจะเสื่อมศรัท ธ, ธาไปก็ได้เช่นบางท่านบางเวลามีศรัท ธ, ธาก็จะมาวัดมาทำบุญ มาปฏิบัติธรรมพอเวลาเสื่อมศรัทธาไปก็หายไปจากวัดเลยเพราะไปศรัทธาในเรื่องอื่นแทนเช่นไปศรัทธากับการไปหาพวกเข้าเจ้าเข้าทรงไปหาหมอดูหรือไปศรัทธาในศาสนาอื่นหรือไปมีศรัทธาในการไปเที่ยว ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเสื่อมศรัทธาทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไปมีศรัทธาทางอื่นก็จะไม่เข้าวัดไม่มาสร้างพะอินทร์สีหให้ขึ้นมาเป็นพระห้าดังนั้นเราต้องพยายามรักษาศรัทธาที่เรามีอยู่แล้วนี้ไม่ให้เสื่อมไป และพยายามสร้างศรัทธาให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปตามลำดับจนเป็นศรัทธาที่เรียกว่าอาจาระศรัทธาศรัทธาที่ไม่มีวันเสื่อมศรัทธาระดับนี้ก็ต้องเป็นศรัทธาของพระอริยบุคคลคือถ้าได้บรรลุพระโสดาบานันแล้วศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ จะไม่มีวันเสือ่อมจะไม่ลังเลสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นรัตนะหรือไม่เป็นเพชรเป็นแก้วอันประเสริฐหรือไม่เพราะผู้ที่สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบัานได้แล้วจะเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหลายในโลกนี้แม้แต่จะเป็นเพชรเม็ดก้อนโต ที่มีราคานับเป็นหลายร้อยล้านบาทก็ตามแต่จะไม่มีคุณค่าเหมือนกับสังฆรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะเพราะพระรัตนไตรนี้สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจให้ดับไปได้นั่นเองส่วนเพชรที่มีราคาสองสามร้อยล้านบาท ก็จะไม่มีความสามารถที่จะทำลายความทุกข์ใจได้เลยเพราะเพชรนี้ก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่เราไปสมมุติให้มีราคาขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ก้อนหินกับเพชรนี้ก็เป็นวัตถุเหมือนกันเป็นธาตุเป็นธาตุาดินธาตุดินนี้ไม่มีความสามารถที่จะมาดับ ความทุกข์ของายได้สิ่งที่จะดับได้ก็คือภระห้านี้เองคือศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวรยะความอุตสาหาภาคเปลี่ยนที่จะพัฒนาอินทรีย์ทั้งห้าให้ขึ้นมาเป็นภลระห้าให้ได้ให้มีสติเป็นมหาสติมหาให้มีสมาธิที่ ที่ถาวรคือสามารถเข้าได้ทุกเมื่อทุกเวลาเวลาใดอยากจะเข้าไปในสมาธิก็เข้าไปได้เหมือนกับเวลาที่เราอยากจะนอนเวลาเราอยากจะนอนนี้เราสามารถนอนกันได้ไม่ต้องฝืนไม่เหมือนกับตอนนี้ที่พวกเราเวลานั่งสมาธินี้จะต้องฝืนท่านเปรียบว่าเหมือนกับลากสุนัขเข้าไปอาบน้า นักมันจะไม่ชอบน้ำกันจิตใจของปุถุชนก็จะไม่ชอบนั่งสมาธิกันเวลานะนั่งสมาธิแล้วเหมือนกับถูกลากเข้าไปในในกรงไม่อยากจะเข้ากรงชอบมีความอิสระเสรีชอบไปเที่ยวชอบไปดูชอบไปฟังชอบไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะ จึงไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิได้ตามความป่าเถนหาถึงแม้อยากจะเข้ามันก็มีกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจที่จะคอยต่อต้านอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีศรัทธาที่แรงกล้าถ้าไม่มีความภาคเพียงที่แรงกล้าถ้าไม่มีสติที่ต่อเนื่องก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบได้แต่ถ้ามีศรัทธามีสติมีวิรยิยะความขยันความภาคเพียนการนั่งสมาธิก็จะไม่ใช่เป็นของยากเย็นแล้วพอนั่งแล้วสงบก็จะเกิดศรัทธาอยากจะนั่งให้มากขึ้นบ่อยขึ้นพอนั่งได้บ่อยขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดความชนานาญจนสามารถ นั่งได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดเวลาเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาทางจิตใจยังไม่มีปัญญาที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ก็ใช้การเข้าสมาธิไปดับความทุกข์ไว้ชั่วคราวก่อนแต่ถ้าสามารถพัฒนาปัญญาให้เป็นพละขึ้นมาได้เป็นพระลังขึ้นมาได้ ก็จะสามารถทำลายความว้าวุ่นขุ่นงัวความวุ่นวายใจได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิและจะทำลายได้อย่างถาวรความทุกข์แบบไหนชนิดใดที่ปัญญาได้ทำลายไปแล้วความทุกข์แบบนั้นชนิดนั้นก็จะไม่กลับคืนมาอีกต่อไปดังนั้นเราต้องพยายามสร้างศรัทธาขึ้นมาให้ ได้ก่อนเพราะศรัทธานี้เป็นผู้ที่จะปลุกให้เกิดวิริยะความอุตสาหะภาคเพียนที่จะพัฒนาสติพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาขึ้นมาให้มีกำลังที่จะสามารถทำลายความทุกข์ความทรมานใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ศรัทธาจะเกิดได้ก็เกิดจากการศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและคําสอนนี้ก็เป็นต้องเป็นคําสอนที่จริงคือจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าที่จะรึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือจากคําสอนของผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วผู้ มีผู้รู้จริงเห็นจริงเพราะจะเป็นคาสอนที่จะทำให้เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าเพราะจะไม่มีความลังเลสงสัยในเรื่องที่สแสดงในธรรมะที่สอนถ้าคนที่สอนยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่รู้จริงเห็นจริงก็จะสอนแบบ แบบแบบแบบด้โดนเดาไปเพราะผู้สอนเองก็ยังไม่เห็นนั่นเองสอนไปตามจินตนาการเหมือนกับผู้ที่ยังไม่เคยไปสถานที่แห่งหนึ่งแล้วนำมาเล่าให้ผู้อื่นฟังว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นอย่างไรก็จะไม่สามารถพูดไปตามความจริงได้ ถึงแม้ว่าจะได้อ่านเกี่ยวกับสถานที่นั้นมาก็ตามแต่การได้อ่านนั้นไม่เหมือนกับการได้เห็นด้วยตาดังที่โบราณได้พูดไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึงตาเห็นการรู้การรู้ธรรมะด้วยการอ่านหรือได้การได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจของตนก็จะเป็นความรู้ที่ยังไม่ตรงกับความจริงเวลาไปแสดงให้ผู้อื่นฟังก็จะแสดงแบบผิดๆถูกๆเหมือนกับตาบอดคลำช้างเคยได้ยินที่ทานเรื่องตาบอดคลำช้างหรือไม่มีคนตาบอดอยู่ห้าคนไปเจอช้างเข้าคนหนึ่งก็ไปจับ หางช้างก็บอกว่าช้างนี่เป็นเหมือนเชือกเอกคนนึงไปจับงวงช้างก็ว่าช้างนี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนงูเอกคนหนึ่งไปจับท้องช้างก็ว่าเป็นเหมือนฝาผนังเอกคนไปจับงาช้างเข้าก็ทิดว่าเป็นหอกนี่คือเรื่องของตาบอดคมช้างก็เหมือนกับผู้ที่ศึกษา พอทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะศึกษาจากป้าใยไปดกหรือได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่บรรลุมรรคผลนิพพานมาแล้วแต่ก็ยังจะไม่รู้จริงเห็นจริงถ้าไม่นำเอาไปปฏิบัติถ้าเอาไปสอนผู้อื่นก็จะสอนแบบตาบอดคำช้างจะรู้บางส่วนแต่จะไม่รู้หมดทุกส่วนสอนไปแล้วก็ จะทำให้ผู้ฟังนี้เกิดความลังเลสงสัยได้ไม่ทำให้เกิดศรัทธาที่อยากจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาและการปฏิบัติได้นี่คือเรื่องของศรัทธาเราต้องศึกษาจากต้นฉบับที่แท้จริงคือพระไตรปิฎกหรือจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วเราก็ต้องนำเอามาปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจนได้มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนั่นแหละศรัท ธ, ธาของเราก็จะไม่มีวันเสื่อมคลายไปไม่ว่าจะไปเกิดทบไหนชาติไหนก็ยังจะมีศรัท ธ, ธาอยู่กับพระพุทธศาสนาถึงแม้จะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกแต่ จะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจตลอดเวลาพระโสดาบันจึงสามารถบรรลุทำขั้นสูงได้ภายในไม่เกินเจ็ดชาติถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่ท่านได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของท่านเป็นแสงสว่างพาให้ท่านได้ จเจริญทำขั้นต่างๆขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดได้นี่คือเรื่องของศรัท ธ, ธาลองถ้าได้มีศรัท ธ, ธาแบบนี้แล้วความภาคเพียรความขยันนี้ไม่ต้องบังคับกันถ้าเป็นนาฬิกาก็ไม่ต้องคอยไขายลานจะเป็นนาฬิกาไฟฟ้าหรือนาฬิกาที่ไขาลานโดยอัตโนมัติพอตื่นขึ้นมาก็จะ ลุกขึ้นไปทำความเพี่ยงทันทีลุกขึ้นไปเจริญสติทันทีลุกขึ้นไปนั่งสมาธิทันทีลุกขึ้นไปเจริญปัญญาทันทีแล้วก็จะปฏิบัติไปจนหมดแรงแล้วก็จะพักพอพักตื่นขึ้นมาใหม่ก็จะปฏิบัติต่อไปจะไม่สนใจกับงานการอย่างอื่นถ้าทำก็ทำเท่าที่จำเป็น เช่นถึงเวลาต้องรับต้องไปหาอาหารมารับประทานก็ออกไปหาอาหารมาถ้าเป็นคารวะก็ไปซื้อกับข้าวกับปลามารับประทานพอรับประทานเสร็จก็จะปฏิบัติต่อถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ออกไปบินถบายพอได้อาหารกลับมาก็ฉันฉันเสร็จแล้วทําภารกิจที่จําเป็นเสร็จแล้วก็จะกลับเข้าสู่การปฏิบัติต่อไป ไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปเจริญสติไปเจริญสมาธิและเจริญปัญญานี่แสดงว่าจิตใจมีพระขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เต็มที่เพราะยังมีความทุกข์ที่ยังสามารถมาเบียดเบียนมาเหยียบย่ำได้แม้แต่ขั้นพระสโสดาบันนี้ ก็ยังมีความทุกข์มาเบียดเบียนได้เช่นมีความหงุดหงิดลำคาญใจมีความอยากในการอารมณ์ต่างๆเวลาเกิดการอารมณ์ก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาต้องต้องเจริญปัญญาคืออสุภะกรรมฐานต้องพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายที่ ทำให้เกิดการมารมณ์ถ้าเป็นชายก็พิจารณาร่างกายของผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็พิจารณาร่างกายของผู้ชายให้เห็นว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเช่นพิจนารณาดูอาการ32ของร่างกายอาการอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังที่มองไม่เห็น และสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ร่างกายต้องขับถ่ายออกมาถ้าพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลความเป็นอสุภะของร่างกายอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาการอารมณ์ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เพราะเวลานึกถึงความไม่สวยงาม น, นึกของนึกถึงความสโปรกของร่างกาย ก็จะไม่มีความกำหนัดยินดีมีแต่ความขยะแขยงไม่อยากจะเข้าใกล้นี่คือทมที่พระโสดาบันและพระสกิดาคามีต้องเจริญเพื่อที่จะทำลายความทุกข์ความหงุดหงิดลำคาใจที่เกิดจากการมีการมรณ์ แล้วก็พระอนาคามีนี้ก็ยังมีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่มได้อีกก็ต้องเจริญปัญญาขั้นสูงต่อไปต้องเจริญดูพิจารณาการไม่มีตัวตนเพราะพระอนาคามีนี้ยังมียังมีทิฏฐิยังมีมานะความถือตัวอยู่ยังถือว่าตนเป็นชายเป็นหญิง เป็นผู้มีฐานะสูงหรือต่ำมีตำแหน่งมียศอะไรต่างๆแห่งนี้ซึ่งเป็นมานะการถือตัวสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไม่ต้องมีความทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นสมมุติทั้งนั้นคนเรานั้นเกิดมาก็มีแค่ร่างกายกับใจ แต่พอมาเกิดในสกุลในตระกูลที่สูงก็มียศถาบรรดาศักดิ์ามมาเช่นเกิดในตระกูลของกษัตริย์ก็ได้เป็นเจ้าชายได้เป็นราชโอรสได้เป็นราชธิดาถ้าเกิดในตระกูลของเศรษฐีก็ได้เป็นลูกของเศรษฐีถ้าไปเกิดในตระกูลของคนยากจนก็จะเป็นลูกของคนยากจนก็จะมีฐานะต่างกัน ตามสกุลตามตระกูลที่เกิดมาแต่มันเป็นเพียงสมมุติทนั้นเองมันไม่ใช่เป็นของแท้ของจริงแต่อย่างใดเพราะการเป็นกษัตริย์หรือเป็นราชโอรสก็สามารถหมดไปได้เช่นพระพุทธเจ้าพอสละพอสะเสด็จออกจากพระราชวังก็ไม่ได้เป็นพระราชโอรสต่อไปกลายเป็นนักบวชกลายเป็นขอทาน ฐานะต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงสมมุติถ้าไม่หลงยึดติดว่าตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เช่นถ้าเราคิดว่าเราสูงแล้วคนไม่ให้ความเคารพกับเราเราก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาได้ดังนั้น ถ้าไม่อยากที่จะมีอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้รู้ถันว่าไม่มีตัวตนไม่มีฐานะต่างๆฐ า, า, านะหรือตัวตนที่มีอยู่นี้เป็นเพียงสมมุติเพื่อใช้กันในขณะที่อยู่ในสังคมเท่านั้นเหมือนการเล่นละครกันแสดงละครกัน เวลาเล่นละครเขาก็สมมติให้คนนั้นเป็นพระเอกคนนี้เป็นนางเอกคนนั้นเป็นเศรษฐีคนนี้เป็นขอทานแต่ก็เป็นการสแสดงไปเท่านั้นเองนี่คือความจริงที่ปัญญาจะต้องมองให้เห็นมองให้ทะลุอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ไม่ยึดติดกับอัตตาตัวตนเพื่อจะได้ไม่ทุกข์กับการปฏิบัติ ของผู้อื่นกับตนเองจะปฏิบัติดีหรือไม่ดีอย่างไรก็จะไม่รู้สึกหวั่นไหวแต่อย่างไดถ้ายังหลงยึดติดกับฐานะของตนเวลาที่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะเกิดความเสียใจเช่นเป็นพ่อแม่แล้วไม่ได้รับความเคารพจากลูกๆลูกๆไม่แสดงความกตัญญูกตวเวทีถ้าไปหลงยึดติด ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็จะเสียใจแต่ถ้าไม่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกรู้ว่าเป็นเพียงสมมุติเขาจะมีมความเคารบหรือมีความกตัญญูหรือไม่นั้นมันก็อยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่คุณธรรมของเขาถ้าเขาเป็นคนมีคุณธรรมสูงเขาก็จะรู้รู้จักการแสดงความกตันยูรู้จักการแสดงความเคารบ ก็จะเป็นมงคลกับเขาเองถ้าเขาไม่รู้จักมันก็จะเป็นอัปมงคลกับเขาเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่เราไม่เดือดร้อนไม่ได้ละไม่ได้รับผลจากการกระทาของเขาไม่ต้องไปเสียอกเสียใจไปกับการกระทาของเขาถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ทันและเราจะไม่ยึดติดกับฐานะต่างๆพวกเราทุกคนนี้มีเป็น เป็นมีฐานะหลายฐานะด้วยกันต่อบุคคลต่างๆกับบางคนก็เป็นพ่อเป็นแม่กับบางคนก็เป็นพี่เป็นน้องกับบางคนก็เป็นสามีเป็นภรรยากับบางคนก็เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องมีฐานะที่แตกต่างกันไปแต่ฐานะทั้งหมดนี้เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเราอย่าไปหลงยึดติดเพราะเวลา ย, ยึดติดแล้วจะทาให้เราทุกข์ใจได้ ถ้าเราไม่ยึดติดแล้วเราจะสบายใจใครจะเขารพหรือไม่เขารพก็ไม่เป็นไรใครจะด่าหรือใครจะชมก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือต้องไม่ยึดติดต้องปล่อยวางด้วยปัญญาจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อน จะมีสติได้ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเจริญสติอยู่เรื่อยๆการจะมีความขยันหมั่นเพียรก็จะต้องมีศรัทธาก่อนการมีศรัทธาได้ก็คือจะต้องเข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเริ่มศึกษาแล้วก็จะเริ่มเกิดศรัทธาขึ้นมาก็จะเริ่มมีวิรยิยะความรุตสาหะความภาคเพียรอย่างที่ญาญุนทั้งหลาย ได้ภาคเพียนมาวัดกันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง mm hmm. ก็เพราะมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เองเพียง mm hmm. แต่ว่ายัางไม่ได้มีศรัทธาถึงขั้นพระอริยเจ้า mm hmm. ก็ต้องขอให้เราพยายามสร้างศรัทธาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญา จนได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วต่อจากนั้นก็จะไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องเคี่ยวเข็นอีกต่อไปเพราะจะไม่มีความสงสัยในความเลิศความประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นกับพวกเรา ด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปเพื่อจะได้มีวิริยะความอุสาหะภาคเพียรที่จะเจริญสติอยู่ตลอดเวลาสลับกับการนั่งสมาธิและสลับกับการเจริญปัญญาเพื่อสร้างพลังจิตพลังใจให้ทำลายความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจให้ได้หลุดพ้นจากความทุก หุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศศีรัตน์ไกรและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกัมยวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีแต่ความสุขและความเจริญ แ้วความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ